ในมิลินถ้ปัญหาปัญหาต่อไปเมตตาภาวนานิสังสปัญหาอา น, นิสงค์ของการเจริญเมตตาภาวนาโอ้นี่ดีจริงๆนะซึ่งถ้าผู้ที่รู้คุณรู้ประโยชน์รู้อา น, นิสงค์ของการเจริญเมตตาใจก็จะยินดีในเมตตาเนี่ยนะะเมตตาสูตรก็จะได้ขายดีขึ้นเนี่ยนะก็จะได้จําเมตตาสูตรสาธยายเมตตาสูตรให้บ่อยๆพระเจ้ามิลินกาเปลียนถามพระนาเกษตว่าพระคุณเจ้านาเกษต พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาเสร็จความข้อนี้ไว้ว่าเมตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะภะหลีกตายะยานีกตายะเป็นต้เนเนะว่าดูกรพิสูงหลายเมื่อเมตตาเจโตวิมุตภิกษุเสพโดยเอื้อเฟือแล้วเนี่ยนะอาเสวิตายะเสพโดยเอื้อเฟือคือเอาเป็นเรื่องเป็นราบ เอื้อเฟอือนี่หมายคือว่าทําด้วยความจริงใจเนี่ยนะทำด้วยความเต็มใจทั้งจริงใจทั้งเต็มใจทำเรียกว่าสุดหัวใจเลยแบบนั้นเถอะอบรมแล้วอบรมเนี่ยมาจากคําว่าภาวิตายะอบรมในนี้แปลว่ามากขึ้นมากขึ้นไอ้คำว่าภาวนาเนี่ยนะอบภาวะอาเสวิตาหรือเสพคือบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเจริญขึ้นกระทําให้มากแล้ว ท่านหนึ่งก็ไม่เรียกว่ามากใช่มท่านสองก็ยังไม่มากก็คือมันเยอะมากนะชาวนะที่เป็นเมตตาเนี่ยบ่อยมากเยอะมากกระทําให้เป็นดุจยานแล้วหมายความว่ามันคล่องแคล่วไปหมดเลยทําเป็นดุจยานเหมือนกับบอกว่ายานที่ฝึกมาดีแล้วคนที่ขึ้นบนยานไปได้อย่างสะดวกชันใดเหมือนกับรถแบบสมัยใหม่ก็เหมือนกับแข่งรถนะรถชั้นดีเนี่ยนะยังไงก็สะดวกสบายกระทําให้เป็นดุจวัตถุคือเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งชั้นดีแล้ว ใจตั้งมั่นอยู่กับเมตตาภาวนาแล้วสั่งสมเมตตาภาวนาเอาไว้มากแล้วปรารบเมตตาภาวนาไว้ดีแล้วเหมือนกับคนคุ้นเคยกันน่ยคุ้นเคยกับเมตตาเป็นอย่างดีถ้าจะคิดถึงอะไรเมตนานําหน้าอันนี้เป็นก็เป็นการผลมาจากการเจริญอัภยาบาศในกุศลกรรมมาบดนั่นเองนะฝึกเจริญเมตตาไว้อย่างนี้พึงหวังอนิสงส์11ประการได้เนี่ยนะต้องการอ น, นิสงส์แปลว่ากําไรเนี่ยนะ กำไร11อย่างที่เกิดจากการเจริญเมตตาอั น, น้ส์อันนี้สงที่เรียกว่ากำไรที่เกิดจากการเจริญเมตตา11ประการนั้นเป็นไงนนะหลับก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขในข้อที่หนึ่งหลับเป็นสุขแปล ว, ว่าหลับง่ายถ้าอยู่ด้วยเมตตาจริงๆเนี่ยนะหลับหลับง่ายไอ้ตอนที่นอนไม่ค่อยหลับส่วนใหญ่จะโกรธ ใช่ไหมถ้าเครียดแล้วนอนไม่ค่อยหลับแล้วนะถ้าโกรธงดหงิ ด, งดมีเรื่องไม่สบายใจในนอนไม่หลับพลิกซ้ายก็แล้วพลิกขวาก็แล้วหลั บ, ลบตาตามันก็ไม่อยากจะหลับมันอยากจะลืมตาพโพ ง, งกำลังกลางคืนเป็นควันอยู่นั่นแนหะกล่นอยู่นั่นแนหะเครียกว่าหลับไม่เป็นสุกเลยเพราะขาดเมตตาอย่างน้อยก็นอนไม่หลับก็เบียดเบียนใจตัวเองก่อนใช่ไหมหาเรื่องจนตัวเองลำบากใจนะคนเนี่ยถ้าถ้าขาดเมตตาซะตัวเองขาดเมตตาชั้นหลับแรกไีเ่เบียดเบียนตัวเองก่อน ฉั้นคนที่มีเมตตาจะไม่เบียดเบียนตัวเองหลับก็เป็นสุขหลับสบายเนี่ยนะตื่นก็ตื่นเป็นสุขไม่อะบันตื่นก็เป็นสุขยิ้มแย้มแจ่มใสบันเทิงไม่รู้สึกง่วงเงียอึด อ, อัดเออเบิดอยู่นั่นแหละบิดทรายกันแล้วบิดควาก็แล้วเป็นต้นเครียดเนี่ยนะมาใช่อย่างนั้นนี่คนที่มีเมตตาอนนี้ส่ของการเสพเมตตาตืมนปั๊บก็ตื่นด้วยเมตตานะชาวนะวิถีแรกที่ตื่นมาก็ตื่นด้วยเมตตา ไม่ฝันเห็นแต่ไม่ฝันเห็นสิ่งชั่วร้ายก็คือไม่ฝันร้ายนะไม่ฝันร้ายเพราะเพราะไม่จะมีไม่มีการฝันว่าเค้นว่าฆ่าทะเลาะเบาะแวงฆ่าศึกสงครามไม่มีฝันว่านะฝันก็คืออยู่ด้วยเมตานะเพราะฝันก็ยังเจริญเมตตาต่อไปอีกว่างั้นอ่ะฝันยังฝันด้วยเมตตาเนี่ยนะใจกับเมตตาตลอดเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะถามว่า คนเครียดกับคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยใครอยากเอาใครเป็นเพื่อนอย่าเอาคนหน้าบิดหน้าเบี้ยวหน้าหงิกหน้างอคิ้วสองข้างมันชนกันพอดีเนี่ยนะเอาอย่างนั้นเป็นพวกไม่บอกไม่ก็ต้องเอาคนใจดีเป็นภาพเป็นพวกอยู่แล้วละ่ะเอาคนระหว่างคนมีเมตากับคนพยาบาทเราจะคบใครอย่างเง้ยโดยมากมนุษย์ทั้งหลายก็จะเลือกคบคนที่มีเมตตาเนี่ยนะเพราะว่าเมตานั้นเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่ชอบเป็นที่ชื่นชม และเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายอมนุษย์นี่รวมทั้งเดรชารด้วยนะเขเรียกว่าสัตว์เดรชาด์ยังรักเลยนะเขาบอกว่ามีบางคนบอกอุ้ยหมามันยังเกลียดเลยแสดงว่ามันขนาดไหนอะรอยงั้นแ้วบางคนเนี่ยเป็นที่รักของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นที่รักของอมนุษย์หมายทั้งทั้งพวกรวมทั้งเดรชาด้วยรวมทั้งอมนุษย์อย่างอื่นด้วยเทวดาย่อมรักษา เทวตารักขันติเนี่ยนะเพราะพวกนี้จะเทวดารักษาเทวดาเขาไม่เลือกรักษาคนที่โกรธรอ้อนเขาเลือกรักษาคนมีเมตตาเนี่ยนะพราะเดี๋ยวเทวดาจะเดือดรอ้อนนี่ก็เทวดายังถูกด่าเลยนะบางคนเนี่ยจริงนะด่าเทวดาได้ทั้งวันก็มีทั้นเทวดาเขาก็เลือกรักษาคนที่มีเมตตาคนที่มีใจดีนะแล้วก็ไฟก็ดียาพิษก็ดีสาตราก็ดีไม่กล่อมกลายเธออนุภาพของเมตานั้นไฟไม่ไหม ยาพิษก็แปร ى, พิษศาตราก็เรียกว่าฟันไม่เข้าเป็นต้นนะนะแล้วก็ต่อไปจิตตั้งมั่นได้เร็วสมาธิง่ายเนี่ยนะจิตตั้งมั่นได้ถ้ามีเมตตาเนี่ยมันก็ไม่ผวาไม่ตกอกตกใจใช่ไหมไม่ไม่ใช่ตรีตะเลือกอะไรเนี่ยเพราะจิตใจจะตั้งมั่นง่ายเนี่ยนะสงบง่ายเป็นอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิได้ง่ายสีหน้าก็ผ่องใสเนี่ยนะหมายว่า ไม่ใช่เหมือนกับที่สำนวนไทยที่ใช้คำว่าไม่ใช่สีหน้าแบบบอกบุญไม่รับเนี่ยนะทำหน้าบึ้งอะไรได้ทั้งวันเนี่ยบางคนเนี่ยทำอะไรบึ้งได้ทั้งวันก็ไม่ใช่หน้าบึง้งหน้าบิดหน้าเบี้ยวอนะก็จนแหมดูแล้วห่างๆหน่อยดีอย่างไ น, นะไม่ใช่สีหน้าแบบนั้นแล้วก็เป็นผู้ไม่ลุ่มหลงทำกาลักกิริยาคนที่หลงทากาลักกิริยาเนี่ยไม่ได้ลุ่มหลงไม่ได้แปลว่าลืมตายนะไม่ได้แปลว่าลืมตาย แต่หมายคำว่าคาว่าหลงตายนี่หมายถึงคนที่นึกถึงแต่ความชั่วแล้วตายนึกถึงความดีไม่ได้ตายนี่เาเรียกว่าคนหลงตายแต่ผู้ที่เจริญเมตตาเอาไว้มากพวกนี้ไม่หลงตายเพราะอะไรนึกถึงใครก็มีเมตตาเพราะอย่างสมมุติอะมีใครเป็นอารมณกก็ไปดีอะเพราะอะไรเพราะเจริญเมตตาเอาไว้กับทุกคนไม่มีนิมิตเป็นที่ตั้งแห่ง โศเลยนะมีแต่ปิยมนาปะแม่มีแต่ทุกคนเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจหมดเลยทั้นจะมีใครเป็นอารมณ์ก็ไปดีเพราะอะไรเพราะเมตตาเจริญเมตตาไว้กับทุกคนสมมุติถ้าเราด่าใครเอาไว้แล้วเราคิดถึงคนนั้นก่อนตายนี่ไปไหนดีตรงกันข้ามถ้าเรามีเมตากับคนนั้นเอาไว้มากๆถ้าเรามีบุคคล น, นั้นเป็นอารมณ์แล้วไปไหนดีนนะก็ไปดีเพราะอนุภาพของเมตตาเนี่ยจะมีใครเป็นอารมณ์ที่ไหนก็ ไปดีเนี่ยนะนึกถึงเทวดากว่าไปดีอ่ะเขาบอกว่าผู้ที่เจริญเมตานะนึกถึงสัตว์นรกอย่างไปดีถามว่าทําไมเพราะเขาเจริญว่าขอให้สัตว์นรกเนี่ยมีความสุขเขาเจริญแม้กระทั่งเจริญเมตตากับสัตว์นรกเจริญเมตากับพวกเปรตพวกเดรัจฉานเจริญเมตากับสัตว์น้ํากับสัตว์บกสัตว์ที่อยู่ไกลสัตว์ที่อยู่ใกล้สัตว์ตที่อยู่ที่ไหนเขาก็ จเจริญเมตตาพันความที่จเจริญเมตตาอาไว้มากจะมีที่ไหนเป็นอารมณ์ก็ไปดีจะมีศัตรูเป็นอารมณ์ก็ยังไปดีเพราะอะไรเพรา ะ, จะเจริญเมตตาเอาให้เต็มที่บริบูรณ์แล้วเพรันอันนี้อันนั้นเป็นอ น, น, น, น, อ น, นิสง์เป็นอนุภาพของเมตตาเนี่ยนะจึงไม่หลงทำกาละกิริยานึกถึงที่ไหนใจก็เป็นไปกับเมตตา เมื่ อ, อยังแทงตลอดคุณนะวิเศษที่ยิ่งกว่าไม่ได้ก็จะเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกหมายว่าถ้าไม่สำเร็จอรหัตตะมักยังอรหัตตะผลให้เกิดก็พรหมโลกแน่นอนอันนี้เป็นอ น, นิสงของ เมตตาสิบเอ็ดอย่างนะทวในครั้งหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์เทวดารักษาไฟศาสต์ไฟยาพิษศาสตราไม่กล้ามกายจิตตั้งมั่นได้เร็วสีหน้าผ่องใสไม่หลงทำกาลกิริยาถ้ายังไม่บรรลุอรหัตตมรรคเข้าถึงพรมโลกอันนี้ถ้าถ้าจเจริญเจริญแล้วทําให้มากแล้วนี่นะมีอยู่สูตรหนึ่งปุญญาวิปากาสูตรพระองค์บอกว่าพระองค์จเจริญเมตตาเจ็ปีเนี่ยนะ เข้าถึงเป็นพรมเจ็ดมหากับเนี่ยนะอันนั้นอาจเป็นอนิสงค์ของเมตตาแล้วก็เป็นอย่างอื่นอีกมากมายเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิตั้งหลายครั้งเป็นพระราชาเฉพาะประเทศอีกตั้งหลายครั้งด้วยกันอันนั้นเป็นอ น, นิสงค์ของการเจริญเมตตาท่านเมตตาภาวนานั้ น, น่ะบอกว่าเจริญชั่วรัดนิ้วมือหนึ่งยังมีอ น, นิสงค์มากกว่าให้ข้าวเป็นทานให้อาหารเป็นทานเป็นร้อยหม้อว่า ง, งั้นอาจจะเรียกว่าเหมือนกับยิ่งกว่า เอาอาหารไปให้ทานเนี่ยเป็นร้อยหมอ้อเขาไม่ได้เมียในสองมากเท่ากับเมตตาอย่าลืมว่าบุญนี่เขาไม่ได้วัดกันที่ข้าวน้ําผ้าไม่ได้วัดที่องค์ประกอบอย่างอื่นแต่วัดกันที่คุณภาพของจิตเะนั้นถ้าทําจิตให้มีคุณภาพเท่าใดมันก็เป็นบุญเท่านั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทําจิตให้เป็นบุญได้เท่าไหร่ก็เป็นบุญเข้าเท่านั้นแล้วผลแห่งบุญก็จะมีมากมายขนาดนั้นทั้นที่จะทําให้เป็นบุญได้ง่ายไม่ยากทําไง ก็เมตตาท่านการเจริญเมตตานั้นมีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มากอันนี้เป็นคำถามที่หนึ่งเป็นยกมาเรื่องแรกอีกเรื่องหนึ่งคือจะต่อไปจะเริ่มมีปัญหาละตอนแรกบอกว่าเมตตานี่ดีเหลือเกินแต่พวกท่านยังกล่าวไว้อีกเรื่องหนึ่งว่าในชาดกนะว่าสุวรรณสามกุมารผู้อยู่ด้วยเมตตาวิหารีเมตตาวิหารธรรมเนี่ยนะ มีหมูเนื้อเวทล้อมเที่ยวไปในป่าถูกพระเจ้าปิรยักษ์เรือว่าพระเจ้าปิระยักษ์เนี่ยใช้ลูกสอนอาบยาพิกยิงเอากล้มสลบอยู่ณที่นั้นนั่นแหละอ้าวอยู่ด้วยเมตตาไงถูกยิงไงเลยบอกว่าอยู่ด้วยเมตตาเสร็จแล้วถูกยิงสลบอยู่ฝั่งริมแม่น้าเร็่มยังไงกัน พระคุณเจ้าน่ากเกษมถ้าหากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเมตตาเจโตวิมุตติกสุเสพโดยเอื้อเฟื้อแล้วย่อมได้อา น, นิสงส์สิบเอ็ดประการถ้าจริงไซถ้าเกิดมันจริงอย่างว่านะถ้าอย่างนั้นคําที่ว่าสุวรรณสามกุมารผู้อยู่ด้วยเมตตาธรรมเนี่ยมีหมู่เนื้อเวทล้อมเที่ยวไปในป่าถูกพระเจ้าปิระยั์ใช้ลูกศร อ, อาบยาพิษยิงเอาแล้วก็สลบลงณนะที่นั้นอันนี้ก็ไม่ถูกต้อง พะอะ่อหลายพ่ออั น, นิสงของเมตตาเนี่ยไฟยาพิษซาตราไม่กล้ามกลายนี่มันผิดฉนัดเลยคนละเรื่องเจริญเมตตายังไงอยู่ด้วยเมตตายังไงถูกยิงไงนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสุวรรณสามผู้อยู่ด้วยเมตตาธรรมมีหมู่เนื้อแวดล้อมเที่ยวไปในป่าถูกพระเจ้าปิรยักษ์ใช้ลูกศร อ, อาบยาพิษยิงเอาแล้วก็ล้มลงสลบอยู่ณนะที่นั้นนั่นแหละจริงไซถ้าอย่างนั้นที่บอกว่าอั น, นิสง์ของเมตตาสิบเอ็ดประการก็ไม่ถูกต้อง ปัญหาแม้ข้อนี้มีสองเงื่อนสองปมนะมีสองปมใหญ่ที่มันคําว่าปมเนี่ยหรือเงื่อนเนี่ยหมายว่ามัดเสร็จแล้วนี่มันไม่รู้จะแก้ตรงไหน น, นะเพราะฉะนั้นเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนนักสุขุมลุ่มลึกแก้ยากเหมือเนี่ยพระทั้งอาจทําเหงื่อของคนที่ละเอียดอ่อนให้หลังออกมาได้ขนาดคนขี้หนาวเนี่ยนะฟังปัญหาแบบนี้ร้อนขึ้นมาทันทีเลยนะ ถ้าเจอถ้ า, ถ า, ถาไม่ไม่ได้อ่านไม่ได้ศึกษามาก่อนเนี่ยถามคําถามห น, าหน้านาวนี่เหงื่อร้อนขึ้นมาผุดขึ้นมาเลยนีะเชื่อนะเรื่องที่มันยากจริงๆนะอากาศเย็นมันยังร้อนขึ้นมาเลยอ่ะเข้ามาเคยแล้วไม่ได้เคยเตอบปัญหา <St ort> บางอย่างเนี่ยเรามันมันอะไรนะเรื่องมันยากมากเลยนะเราจะต้องพูดเรื่องนั้นเไอ้แหมอากาศเย็นๆเนี่ยเหงื่อท่วมเลยนะผดนะนะแต่ดีวิจิวร์ปิดเอาไว้มีใครเห็น นั้นปัญหานั้นตกถึงแก่ตกถึงแก่ท่านแล้วปัญหาที่มันยากว่าไงมันยากจริงนะถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาไวยะจากท่านาคเกษรเนี่ยตอบไม่ได้นะอ้าอยู่ด้วยเมตตายังไงถูกยิงเห็นไหมเนี่ยอ้าวแล้วพระองค์บอกว่าที่หนึ่งอยู่ด้วยเมตตาได้ น, นิสงสิบเอดอย่างเอ้มันขัดกันนะเพราะฉะนั้นขอท่านจงสางปัญหาที่ยุ่งนะปัญหาที่รกยุ่งดุดรกชัดใหญ่นั้นเถิดเรียก ว, ว่ามันยิ่งกับกอไผ่อีก เพราะฉะนั้นขอท่านจงมอบดวงตาเพื่อใช้ขจัดปัญหาอันเป็นดุดรกชัดแก่พิษูุนผู้เป็นชินรบรในอนาคตเธอได้โปรดเธอช่วยตอบปัญหาเป็นแนวทางให้พิสูจน์ต่อไปในอนาคตท่านจะได้อาศัยเป็นแบบเป็นแผนเป็นเยี่ยงอย่างในการตอบปัญหาถ้าท่านไม่ตอบเอาไว้แล้วใครจะตอบได้ น, นะนะคือคำถามตัวนี้เนี่ยไม่ได้ถามเพราะว่าจะแก้ปัญหาส่วนตัว แต่ว่าเห็นว่าอันนี้นะต่อไปในอนาคตจะต้องมีคนยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นที่เน็บแนมถากคางได้พระนาคเสศก็ต่อว่าขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาษิทความข้อนี้ไว้ว่าดูก่อนพิสุทังหลายเมื่อเมตตาเจโตวิมุตตพิสุเสพแล้วทำให้เฟื้อเ อ, อื้อเฟื้อแล้วเนี่ยนะ ทำให้มากแล้วกระทาให้เป็นดุจยานแล้วกระทําให้เป็นดุจวัตถุที่ตั้งแล้วตั้งมั่นแล้วสังสมแล้วปรารบดีแล้วหวังอนิสงส์11ประการเนี่ยนะพระองค์ตรัสไว้อย่างนั้นน่ะจริงและเรื่องที่สุวรรณสามกุมารผู้อยู่ด้วยเมตตาธรรมมีหมูเนื้อเวทล้อมเที่ยวไปในป่าถูกพระเจ้าปิรยักษ์ใช้ลูกสร อ, อาบยาพิษยิงเอาจนล้มสลบณนะที่นั้นแหละก็เป็นความจริง ขอถวายพระพรก็แต่ว่าในคําที่ว่านั้นมีเหตุผลมันมีเหตุมีผลมีเรื่องต้องชี้แจงกันอยู่เหตุผลอะไรในคําที่ว่านั้นขอถวายพระพร อ, อันนีสองสิบเอ็ดประการเหล่านี้ไม่ใช่คุณสิบเอ็ดประการหรืออันนสงสิบเอดประการ่ะไม่ใช่คุณของบุคคลคุณหรืออั น, นิสงสิบเอ็ดประการนั้นเป็นคุณของมเมตตาภาวนา ต้องแยกบุคคลกับเมตตาให้ออกนะเมตตานี่อย่างหนึง่งบุคคลก็อย่างหนึง่งบุคคลผู้มีเมตตาเมตตานี่เป็นสภาวะธรรมบุคคลเนี่หมายถึงรวมเป็นที่รวมของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะวิบากและกรรมชรูปเป็นที่ตั้งแห่งการยึดถือว่าเป็นสัสตว์เป็นบุคคลบุคคลนั้นอย่างหนึ่งตัวเมตตาคืออโทสะก็อย่างหนึ่งคนละอย่างกันนะอา น, นิสงส์สิบอ็ดอย่างนั้นเป็นอานิสงส์ของเมตตาไม่ใช่อานิสงส์ของบุคคล ต้องแยกบุคคลกับเมตานะนนะเพราะบุคคลหมายถึงผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกรวมกันโบโวหารว่าเป็นบุคคลบุคคลเหล่านี้มันมีคุณส1บอย่างอย่างเมตารอแต่ตัวเมตานั่นแหละทำให้มีอันนี้สองสิอย่างขอถวายพระพรสุวรรณสามพยกโมก น้ำขึ้นเนี่ยนะขึ้นบ่าในขณะนั้นก็เป็นผู้หลงลืมในการเจริญเมตตาดีใจในเรื่องการตักน้ำไม่ได้เจริญเมตตาอะไรหรอกเพราะโมจะคิดเรื่องแบกน้ำเรื่องยกน้ำเรื่องจะขนน้ำกลับบ้านมันลืมไม่ได้เจริญเมตตาขณะนั้นเมื่อไม่มีเมตตาเนี่ยก็เลยถูกยิงได้ถ้าขณะนั้นอยู่ด้วยเมตตาจริงก็ไม่ถูกยิงขอถวายพระพร ในขณะใดบุคคลมีจิตจรดถึงเมตตาในขณะนั้นไฟก็ดียาพิษก็ดีซาตาก็ดีย่อมกล้ำกลายเขาไม่ได้ขณะที่มีเมตตาอยู่ในใจจริงๆนะตัวเมตตาถ้ายังอยู่ในใจจริงอะ่ะไม่มีอะไรทำอะไรได้หรอกไม่มีอันตรายใดๆประทุสร้ายได้หรอกเพราะอะไรเพราะใครบางคนใคร่ความชิบหายให้แก่เขาประสงค์จะเบียดเบียนเนี่ยนะประสงค์จะทำลาย พอเข้ามาใกล้เขาแล้วเนี่ยนะพอเข้ามาใกล้แล้วก็มองไม่เห็นเขาจึงไม่ได้โอกาสในตัวเขาบางทีก็อยู่ตรงนั้นแต่ก็มองไม่เห็นขอถวายพระพรคุณดังกล่าวเหล่านี้หาใช่คุณของบุคคลไม่คุณเหล่านี้เป็นคุณของเมตตาภาวนาต่างหากบุคคลเนี่ยไม่ได้มีคุณธรรมที่จะต้องได้รับสอั น, นิสงสิบ1ประการนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสถึงอ น, นิสงของบุคคลแต่ตรัสถึงอ น, นิสงของ เมตตาฝันั้บุคคลใดที่ไม่อยู่ด้วยเมตตาในขณะนั้นอันนี้มีอันตรายแ น, น, น่เพราะฉะนั้นที่แสดงมานั้นเป็นคุณของเมตตาขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าบุรุษผู้กล้าหาญในสงครามในโลกนี้สวมเสื้อเกราะเหนียวแล้วก็ย่างลงสู่การสงครามลูกศรที่ข่าศึกยิงมานะลูกศร น, นั้นมาถึงตัวเขาแล้วก็ย่อมตกหล่นกระจัดกระจายไปย่อมไม่ได้โอกาสในตัวเขา ลูกศรเสื้อกรอกบางอย่างเนี่ยนะลูกศรทึงจะเป็นลูกศรเหล็กนะยิงมาปั๊บมันจะเป็นเฉียวหมดเลยมันจะไม่ใช่วิ่งวิ่งมาปักลงลงนะยิงปั๊บมันจะเป็นลูกศรเฉียวหมดอันนั้นเป็นคุณของอะไรของเสื้อกรอะขอถวายพระพรลูกศรที่ข้าศึกยิงมาถึงตัวเขาแล้วตกหล่นกระจัดกระจายไปนี้หาใช่คุณของบุรุษผู้กล้าหาญในการสงครามไห่ข้อนี้เป็นคุณของเสื้อกลากเหนียวต่างหากฉันใด ขอถวายพระพรคุณดังกล่าวเหล่านี้หาใช่คุณของบุคคลไม่คุณเหล่านี้เป็นคุณของเมตตาภาวนาต่างหากฉันนั้นเหมือนกันแลพรานะันคุณของเมตตากับคุณของบุคคลนี่มันคนละอย่างอย่างเหมือนกับว่าบุคคลกับศีลนี่อันเดียวกันไหมศีลก็อย่างหนึ่งนะอย่างว่าศีลนี่คือเจตนาศีลใช่ไหมเจตนาเนี่ยคือศีลศีลคือเจตนา พันขณะบุคคลคนเดียวกันบางครั้งก็มีศีลบางครั้งก็ไม่มีศีลเหมือนกันเมตาก็เหมือนกันบางคนที่เรียกว่าคนมีเมตตาไม่ได้แปลว่ามีเมตตาตลอดเวลาที่ไหนบางครั้งก็มีเมตตาบางครั้งก็ไม่มีเมตตาขณะที่ไม่มีเมตตาขณะนั้นเป็นไงขณะนั้นเนี่ยก็ถูกยิงได้เพาะไอ้ที่ว่าไฟสาตรายาพิษไม่กล้ำกลายอันนั้นเป็นคุณของเมตตาไม่ใช่คุณของ บุคคลเพราะว่าร่างกายเนี่ยเป็นที่เรียกว่าสาธารณะแก่สิ่งเหล่านี้อยู่แล้วหือเป็นเรื่องอาการถูกยิงเน่ยนะสรีระร่างกายเป็นเรื่องปกติที่ลูกศรจะมาปักได้อยู่แล้วแต่ถ้าอยู่ด้วยเมตตาก็เหมือนกับใส่เสื้อเกราะเนี่ยนะเสื้อ อ, อาวุธเป็นต้นก็ไม่สามารถทําอันตรายได้ปัญหาว่าพอเห็นเขายิงมากโกรธเขาเลยเนี่ยถูกยิงแน่ไม่้งห่วงนะใช่ไหมเพราะอะไรถูกสมมติเห็นเขายกลูกศรขึ้นปั๊บเนี่ยแล้วโกรธเขาเลยเนะี่ย ถ้าอย่างนี้ถูกยิงแน่ไม่ต้องห่วงแต่ถ้าบอกว่าเห็นเขาปั๊บยกลูกสอนปั๊บเนี่ยเมตตาแผลอย่างเดียวเย็นแผ่ไปหลังไร้ไปเนี่ยนะลูกของเราเนี่ยเหมือนก็ถือดอกเหมือนเห็นลูกถืออะไรนะปืนเด็กเล่นอ่ะเหมือนเห็นลูกถือปืนเด็กเล่นเนี่ยถามว่าโอ้ยินแย้มแจ่มใสมีเมตตาต่อเขาอย่างนั้นจริงจรอ่ะถ้าอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ไ ม, มีอันตราย นะเป็นปัญหาทำใจยากนะทำใจดีสู้เสือนี่ยมันยา ก, ก น, นะนี่ยแคได้ยินคําว่าเสือเนี่ยก็ตกใจพาวาแล้วนะพอได้ยินบอกว่าคนบอกว่าเขายังไม่ทันฆ่าเลยบอกได้ยินชื่อเขาก็โกรธแทบตายแล้วเนี่ยนะนะบางคนเนี่ยเขายังไม่ได้ต่อว่าอะไรเลยได้ยินชื่อศัตรูอได้ยินชื่อของคนที่ตัวเองไม่ชอบกันนะนะ่นั้นแหละโกรธอยู่นั่นแหละโอ้ยทุกแท้ทุกแต่ทุกว่าโทรศนะัพทเนาะโทรศัอะไรอ๋อมีความสุขที่ไหนโทรศัเนี่ย เพราะฉะนั้นที่ว่าไฟศาตรายาพิษไม่กล้ามกลายอันนั้นเป็นคุณของเมตตาไม่ใช่คุณของบุคคลเพราะบุคคลเนี่ยมันเดี๋ยวก็มีเมตตามั่งเดี๋ยวก็ขาดเมตตามั่งเดี๋ยวก็โกรธมั่งเดี๋ยวก็มีอโทสะมั่งเดี๋ยวก็มีโลภมั่งเดี๋ยวก็อะโลภาหมั่งมันก็อยู่อย่างเนี้จะแปอะไรเพราะในแง่ของบุคคลนั้นเนี่ยจึงไม่ได้รับอานิสงส์สิบอ็ดประการแต่เมตตานี่แหละที่ทําให้ได้รับอานิสงส์สิบอดประการ ขอถวายพระพรในขณะใดบุคคลเป็นผู้มีจิตจรดถึงเมตตาเข้าถึงเมตตาในขณะนั้นไฟก็ดียาพิษก็ดีสาตราก็ดีย่อมกล้ำกลายเขาไม่ได้ใครบางคนครขความชิบหายแก่เขาพอเข้ามาใกล้แล้วก็จะมองไม่เห็นเขาจึงไม่ได้โอกาสในตัวเขา ขอถวายพระพรคุณดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่คุณของบุคคลคุณเหล่านี้เป็นของเมตตาภาวนาต่างหากขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าบุรุษบางคนในโลกนี้เพึงกรรมรากไม้ทิพต์ ก, ก็มีรากไม้ชนิดหนึ่งที่เป็นรากไม้ทิพต์เนี่ยนะถ้าหากว่าใครถือรากไม้ทิพนี่ก็หายตัวไปได้ถ้ายังรากไม้ทิพย์อยู่ในมือ ตราบใดที่รากไม้นั้นยังอยู่ในมือของเขาตราบนั้นคนอื่นที่เป็นมนุษย์ปกติย่อมมองไม่เห็นบุรุษผู้นั้นขอถวายพระพรข้อที่บุรุษผู้นั้นไม่ปรากฏในสายตาของมนุษย์ปกติทั้งหลายหาใช่คุณของบุรุษไม่ข้อนั้นเป็นคุณของรากไม้ทิพย์ที่ใช้หายตัวได้ต่างหากฉันใดขอถวายพระพรมหาบาพิษคุณดังกล่าวเหล่านี้หาใช่คุณของบุคคลไม่คุณธรรมเหล่านี้ เป็นคุณของเมตตาภาวนาต่างหากฉะนั้นเหมือนกันต้องแยกเมตากับบุคคลให้ออกเนี่ยนะเพราะว่าบุคคลเป็นโวหารเป็นบัญญัติเพราะฉะนั้น้าขณะอื่นที่ขณะที่เขามีเมตตาขณะนั้นเรียกว่าเมตตาวิหารีบุคคลขณะนั้นเอาอันตรายไม่เกิดขึ้นแต่ขณะเป็นโลภบุคคลโทสะบุคค ล, คคลมิจฉาทิฏฐิบุคคลเนี่ยนะโอ้ แทบจะไปหยิบเอาลูกสอนเขามาปักใจตัวเองเลยซ้าไปนะเขาวางลูกสอนไว้อย่างดีนไม่ได้ไม่ได้ ไ, ไ, ดไปดึงออกมาไปเปิดไขวุญใจออกมาแล้วมาดึงมาปักใจตัวเองเนี่ยนะประเภทนี้นจะไปทุกข์ได้ยังไงมาขอถวายพระพรในขณะใดบุคคลผู้มีจิตจดถึงเมตตาใครบางคนใครความชีบหมายแก่เขาพอเข้าใกล้แล้วก็มองไม่เห็นเขาจึงไม่ได้โอกาสในตัวเขาฉะนั้น ขอถวายพระพรคุณดังกล่าวนี้หาใช่คุณของบุคคลไม่คุณเหล่านี้เป็นคุณของเมตตาภาวนาต่างหากขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าฝนหาใหญ่ตกอยู่ไม่อาจทําบุรุษผู้เข้าไปในถ้ำใหญ่ให้เปียกได้ถ้าใหญ่ด้วยอยู่ที่สูงด้วยเนี่ยนะฝนมันจะตกใหญ่ขนาดไหนแม่ก็ทําอันตรายบุรุษนั้นไม่ได้ฉันใดขอถวายพระพรข้อที่ฝนหาใหญ่ตกหนักอยู่ ไม่อาจทำบุรุษผู้เข้าในถ้มใหญ่ให้เปียกได้นี้หาใช่คุณของบุรุษไม่ข้อนั้นเป็นคุณของถ้ำต่างของถ้ใหญ่ต่างหากฉันใดขอถวายพระพรมหาบาพิตรคุณดังกล่าวเหล่านี้หาใช่คุณของบุคคลไม่คุณเหล่านี้เป็นคุณธรรมของเมตตาต่างหากฉันอันนี้นทรงที่เรียวกว่าไฟยาพิษศาสตราไม่กล้ามกลายเนี่ยอันนี้เป็นผลของเมตตาไม่ใช่ผลของบุคคล ฉะนั้นเหมือนกันแลขอถวายพระพรขณะใดาบุคคลผู้เป็นผู้มีจิตจดถึงเมตตาในขณะนั้นไฟยาพิษสาตราย่อมกล้ามกลายเขาไม่ได้ใครบางคนใครใความชีพหายหแก่เขาพอเข้ามาใกล้แล้วก็จะมองไม่เห็นเขาจึงไม่อาจจะสร้างความชีพหายให้แก่เขาได้ขอถวายพระพรคุณดังกล่าวเหล่านี้หาใช่คุณของบุคคลไม่คุณดังกล่าวเหล่านี้ เป็นคุณของเมตตาภาวนาต่างหากพระเจ้าเมลินบอกวูอัจฉริยะอัศจรรย์จริงไม่เคยมีมาเลยแบบนั้นนะ่ะโอ้น่าประหลาดคำว่าน่าอัศจรรย์แบบควรแกาการดีดนิ้วมือแบบนั้นนะ่ะแปลว่าต้องดีดนิ้วมือให้ยกมือให้เลยนะสมัยหมาเรียกว่ายกมือให้ไปยกป้องมือที่อินเดียเดือดร้อนนะ่ะนะว่าก็ดีดนิ้วมือแลก็ดีดดังป๊อกนะ่ะ น, น, นะว่าอวิเศษแบบนันเจ๋วแบบนั้นนะ่ะนะ น่าอัศจรรย์จริงพระคุณเจ้าน่าเกษน่าแปลกใจจริงครับว่าน่าแปลกใจครับว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะพระค you ุณเจ้าน่าเกษนข้อที่เมตตาภาวนาเนี่ยเป็นเครื่องป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้ทุกอย่างเมตตาไม่น่าเชื่อเดีขนาดนี้น่าอัศจรรย์จริงน่าแปลกใจจริงดีจริงๆพระน่าเกษนาก็ถือโอกาสบอกว่าขอถวายพระพรเมตตาภาวนาเป็นเหตุนำมาซึ่งคุณธรรมทุกอย่างจริงนะเมตตาเน้นำมาซึ่งคุณธรรมทุกอย่าง พระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญบารมีเนี่ยนะตอนที่ ain, พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์แล้วสร้างบารมีเนี่ยมีเมตตาเป็นเหตุใกล้ทั้งหมดเลยนะคนที่มีเมตตานี่แหละจึงจะมีกรุณาคนที่มีกรุณานั่นแหละจึงจะสร้างบารมีทั้งหมดได้มันจะขึ้นต้นด้วยเมตตาเนี่ยนะเมตตาเป็นที่ตั้งแห่งกรุณาคนที่รู้จักสงสารคนอื่นคนนั้นน่ะมีเมตตาเพราะเขามีเมตตาเขาจึงรู้จักกรุณาเพราะเขาหวังประโยชน์ให้แก่คนอื่นแต่เมื่อคนอื่นสูญเสียประโยชน์ ที่ควรได้รับเขาจึงมีใจกรุณามุ่งให้เปลื้องจากทุกเหล่านั้นน้อมประโยชน์และความสุขเข้าไปให้เพราะนั้นเมตตานั้นจึงเป็นที่ตั้งแห่งทานนบารมีศีลบารมีเนคขมะอานนะปัญญาขันติวิรยิยะอา่าวิริยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาและอุเบกขาผู้ที่มีเมตตาเท่านั้นแหละจึงให้ทานได้อานะถามว่าถ้าโกรธใครอยากให้อยากให้ของคนนั้นไหมถ้ากําลังโกรธอยู่มันให้ไม่ได้เลยนะ ไม่ยอมเด็ดขาดมันจะเสียหายมันจะอะไรนะเอาไปเททิ้งขยะก็ได้แต่ว่าให้คนนั้นะยอมไม่ได้ขณะที่โกรธนะมันมันยอมมันถ้ามันโกรธจริงๆอ่ะไม่ยอมให้ให้คนนั้นเลยอ่ะมันยอมแค่เราว่ามันจะเสียหายมันจะเละขนาดไหนก็ช่างจะให้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะโทสะต่อเมื่อโทสะระงับไปบ้างแล้วอ่ะอันนั้นเมตตาเริ่มเกิดขึ้นบ้างนิดหน่อยจึงเริ่มให้ได้ถ้าเมตนาน้อยก็ให้น้อยเมตตามากก็พร้อมที่จะ ให้มากถ้าเมตตามากเท่าไรมรดกทั้งหมดยกให้ได้หมดเลยอย่างนั้นที่ในกรรมยกให้หมดเลยแปลว่าถ้าพระถ้ามีเมตตานะมันก็แล้วแต่ว่ามีเมตตาขนาดไหนถ้ามีเมตตาเหมือนพระพุทธเจ้าอยากให้ทุกคนได้อรหัตมรดกด้วยซ้ําไปไม่ใช่ด้วยซ้ําไปต้องการอย่างนั้นจริงๆแต่ว่ามันมีเมตตาสุดๆจริงแต่ว่าก็ต้องความสา ม, มารถที่จะรับมันมีขนาดไหนเนี่ยนะ ก็เหมือนว่าพระไตรปิฎกเนี่ยเระเปิดให้อ่านอยู่แล้วแต่ว่าอ่านแล้วได้เท่าไหร่ก็เรื่องส่วนตัวแหละค่ะ เ, เนี่ยเพราะมันเมตานี่จึงนํามาซึ่งคุณธรรมทุกอย่างทุกประการทุกชนิดเลยแหละแม้กระทั่งทานแม้กระทั่งศีลบารมีสิบอุปบารมีสิบทุกอย่างเลยแหละในโลกเนี่ยเมตานั้นจึงค้าจุนโลก น, นะ น, นะเมตตาทําค้าจุนโลกลนะนะโดยเฉพาะโลกเนี่ยโลกกายาวานาคือปลองขานเมตตาดูสิเนี่ยนะหน้ารูดถ่ายรูปไว้เต็มที่ระ ล, ลึกเนี่ยนะ นะเครียดป๊บเนี่ยถ่ายรูปไว้เลยเช็คเนี่ยนะโกรธเมื่อไหร่ก็เก็บภาพเอาไว้เลยดูต่างหน้าต่างหัวใจเนี่ยนะอืมปิดไว้ที่ไหนดีนะก่อนเข้าห้องนอนแล้วปิดเปิดดูหน้าที่กําลังหน้าเงา้าหน้านิว้วคิ้วขโมดเนี่ยนะกำลังเครียดนั่นน่ะจะเดือดร้อนขนาดไหนพรันเมตตานั้นจึงเป็นที่มาของคุณธรรมทุกอย่างขอให้พระองค์พึงเสพเมตตาภาวนาอันมีอา น, นิสงค์คือกําไรมากต่อสัตว์ผู้ยังผูกพัน กับวิญญาณคือสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยนะให้เจริญเมตตากับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเธอทั้งที่เขาจะเป็นผู้ที่ให้ประโยชน์เกื้อกูลหรือเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์เลยหรือว่าหมาย UM? ความว่าคนที่เราชอบหรือคนที่เราไม่ชอบเขามีประโยชน์กับเราหรือไม่มีประโยชน์กับเราก็ช่างคนที่เราเห็นหรือไม่เห็นอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ น, น, นะที่เกิดแล้วหรือสแสวงหาที่เกิดเนี่ยนะตัวอ้วนตัวผอมตัวอะไรก็เจริญให้หมดเถอะแบบั้น ขอให้เจริญอย่างนั้นเถิดเพราะอะไรเพราะเมตตาภาวนานี้ดีจริงๆมีผลมากมีอา น, นิสงส์มากอา น, นิสงส์ทั้งสิบอ็ดประการนะแต่ละอย่างน่าชื่นใจใครนอนไม่หลับก็เจริญเมตตาให้มากๆใครตื่นแล้วเครียดก็เจริญเมตตาให้มากๆฝันไร้ก็เจริญเมตตาให้มากขี้กล้วยก็เจริญเมตตาให้มากทําไมเนาะคนที่เกลียดเราเหลือเกินเราทําไมคนอื่นเขารังเกียจเราไปหมดเลย ไปที่ไหนก็ไม่มีใครชอบเราเราพูดไปคําหนึ่งเข า, าราคาญราคาญเจริญเมตตามากๆเดี๋ยวเขาก็เลิกราคาญเราก็อยากให้เราพูดนะถ้าเรามีเมตต า, านะนะถ้าแม้กระทั่งผีหลอกประจำเลยแสดงว่าเราขาดเมตตาถ้ามีเมตตาผีไม่หลอกร้องเทวดาไม่ดูแลเลยเนี่ยถ้ามีเมตตาเทวดาดก็ดูแลทําไมเนี่ยไฟยาพิษศาสตราเนี่ยนะทำไมมันเบียดเบียนเหลือเกิ น, ก, นก็เพราะขาดเมตตาสิจิตทําไมมันฟุ้งซ่านเหลือเกินก็เพราะขาดเมตตาอย่างน้อยขาดเมตตาต่อ ตัวเองก่อนสีหน้าทําไมมันหน้ามันไม่ผ่องใสเลยนะทําไมเลือดดามันเลือดดามันฉีดมากเหลือเกินตอนนี้เนี่ยนะนั่นก็ว่าหน้องกระทะลักมาทางหน้าอยู่แล้วอย่างไงก็แสดงว่าขาดเมตตาหรือว่าโอ้ตายจะไปไหนเนาะไอคนที่เครียดกลัวตายแล้วตกนรกเป็นต้นก็แสดงว่าขาดเมตตาแสดงว่าไม่มีเมตตาเอ๊ะมันจะบรรลุหรือเปล่าเนาเนี่ยนะ อันนี้พวกนี้ก็ขาดเมตตาถ้ามีเมตตามากๆเนี่ยนะกําไร1สิบเอ็ดประการอันนี้สงสิบเอดประการก็หวังได้เพราะฉะนั้นขอให้มีเมตตาให้เจริญเมตตาเนี่ยนะ